ตอนช่วยได้ต้องช่วยทันทีมีซิ่วชายท่านหนึ่งแท่สรบบิดาเป็นผู้มั่งคั่งในเมืองซูโจมีอยู่ปีหนึ่งฝนแรงมากท่านจึงให้ชาวนาทำนาของท่านฟรีไม่เก็บค่าเชาวนาเลยเป็นตัวอย่างอันดีงามที่เจ้าของนาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามเช่นกันไม่เพียงเท่านั้น ท่านยังนําข้าวที่เก็บไว้มาแจกจ่ายแก่คนยากไร้อีกด้วยพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงปีศาจมาร้องว่าแม้จะพูดสักพันครั้งหรือสักหมื่นครั้งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นความจริงที่ซิ่วายในตระกูลสีนี้จะได้เป็นจี่เหยนแล้วปีศาจร้รองอยู่ทุกคืนติดต่อกันนานจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมีการสอบไล่ซิ่วายท่านนี้ก็ไปสอบเขาด้วย ปรากฏว่าสอบได้เป็นที่ชืีเหยันจริงตามที่ปีศาจร้องบิดาของท่านเห็นว่าการทำดีเพียงเท่านี้ยังได้ผลดีถึงเพียงนี้ท่านก็ยิ่งมุมาณนะทำดียิ่งยิ่งขึ้นสะพานช้ำรถท่านก็ให้คนไปซ่อมเสียให้ดีหนทางกรุกระสัญจรไว้สะดวกท่านก็ให้คนไปซ่อมให้เรียบร้อยภิกษุที่ไม่มีโยมอุปถา ท่านก็ทําสํำรับกับข้าวไปถวายทุกวันใครขาดแคลนข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าและอื่นๆท่านก็จุนเจือเสมอไม่ให้อดอยากยากไร้ไม่ว่าใครจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอย่างไรท่านช่วยได้เป็นช่วยทันทีต่อมาปีศาจก็มาร้องอีกทุกคืนว่าแม้จะพูดสักพันครั้งหรือหมื่นครั้งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นความจริง ที่จวียเหนในตระกูลสีนี้จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงสุดในภูทรต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ